สวัสดีวันนี้ต้องการจะพูดถึงเรื่องพระอภิธรรมพระอภิธรรมเราจำได้ว่าเทท่านแสดงไว้ก้าบริเชตบริเชตที่เก้าจะขึ้นต้นด้วยสมถาวิปัสนานังภาวนาณมิโตปรังกรมมัทฐานังปวัาขามิทุวีทังปิยะถากมัง มัคัตบาลันจนิพพานังปันนิโตอะไรอย่างเนี้ยก็ <c oughs> แสดงว่าที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงเรื่องพระอาภิธรรมก็ได้ยกสมถะและวิปัสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงแต่วิปัสนาอย่างเดียว พระองค์ได้ทรงแสดงสมถะอภิธรรมก็ถือว่าทำเป็นทำชั้นยอดนะยอดสุดแล้วก็คืออภิธรรมแต่ทําไมยังต้องแสดงสมถะอยู่เพราะว่าสมถะนั่นเป็นพื้นฐานการทําจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นประการสําคัญเพราะว่าสมาธิที่กระทําขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดสติ แล้วไม่ได้เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตแล้วจึงจะเรียกว่าฐานที่มีความมั่นคงเหมือนกันก็คนที่เขาจะสร้างตึกระฟาจะเป็นร้อยชั้นหรือกว่าร้อยชั้นเขาจะต้องสร้างรากฐานนี่ให้มั่นคงเพราะฉะนั้นสมถะคือการสร้างรากฐาน บางคนอาจจะเข้าใจว่าวิปัสนาล้วนอย่างที่ท่านเป็นพระอรหันตุขวิปสบปหรือว่าพระประเจกโพธ์ก็ว่าเป็นวิปัสนาล้วนจริงอยู่เป็นวิปัสนาล้วนนั่นน่ะแต่ท่านก็ต้องมีฐานคือแม้ว่าฐานไม่ใหญ่ท่านก็ต้องมีฐาน ถ้าไม่มีฐานคือสมถะแล้วจะไปเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะแสดงมรรคทั้งแปดมรรคทั้งแปดนั้นนะ่ะในขึ้นต้นก็เรียกว่าสมาธิถิสมาธิถินั่นนะ่ะก็คือปัญญาวิปัสสนาทีานี้ในสุดท้ายนั่นพระองค์ก็แสดงถึงสมาสมาธินั่นแหละคือพื้นฐานเพราะฉะนั้น บางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องทำสมถะทำแต่วิปัสนาย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีรากฐานแล้วคนจะสร้างตึกสวยงามแค่ไหนมันก็ยุบไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญวิปัสนาท่านจึงได้แสดงวิปัสณูปกิเลสไว้วิปัสณูปกิเลส ก็แสดงเห็นชัดเจนแล้วว่ากิเลสเพราะว่าวิปัสสนานั้นเป็นเครื่องที่จะกําจัดกิเลสแต่ทําไมจริงยังสะสมกิเลสอยู่ก็เพราะว่าเป็นวิปัสสนูวิปัสสนูนั้นก็มีข้อหนึ่งที่ว่าโอภาโสโอภาโสนะโอสา ว, วางสาวัยทั้งกลางวันกลางคืนจิตใจสาว่างสาวัยมากมาย เรียกว่าสว่างจนกระทั่งตัวเองเข้าใจผิดว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์งแท้แทจริงแล้วก็คือโอภาโสโหนะก็เป็นวิปัสสนุปกิเลสแล้วสว่างแจ้งแจ้งแต่ว่าลากฐานเจิตนั้นน่ะไม่เพียงพอเมื่อลากฐานเจิตไม่เพียงพอมันก็ต้องล้มละลายเหมือนกันกันกบตึกใหญ่ใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ย หาักฐานไม้เพียงพอมันก็ต้องยุบล้มละลายท่านจึงได้แสดงวิปัสสนูปกิเลสอไรว่เรียกว่าโอภาโสแล้วก็ข้อที่สิบของวิปัสสนูนั่นก็คือนิการเตนิกันติก็เรียกว่าจิตใจนี่เหมือนกันก็พ้นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดลึกซึ้งเหลือกเกินเรียกว่าเหลือเหลือแต่เหลือเกินแก่การที่จะลึกซึ้งแต่ว่าที่ไหนได้นั่นคือกิเลส เพราะกิเลสตัวหนึ่งนั่นอ่ที่มีอยู่ในวิปัสสนาโนนั้นคือส ก, กายญิติเส ก, กายญาิเตน่คือการถือตัวการถือตัวตัว ต, ว ต, วตรงนี้แหละที่วิปัสสนาไปกิเลสเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นกิเลสใครก็โตกว่าเราไปไม่ได้ฉันเนี่วิเศษที่สุดคนอื่น สู้ฆ่าพระเจ้าไม่ได้อันนี้ค้าเรียกว่าส ก, กายญทิฏฐิเพราะฉะนั้นสมถะคือการทําจิตให้มีกําลังนั้นพระพุทธ เ, เจ้าก็กําหนดเอาในมรรคทั้ง8ดสัมมาสมาธิสมาสมาทิฏฐินั้นไม่ได้แสดงถึงรูปฌานท่านแสดงแต่รูปฌานเพราะฉะนั้นจิตที่จะผิดพลังจิตได้นั้นจิตอยู่ที่รูปฌาน เมื่อรูปประชัน เ, เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผิดพลังจิตพลังจิตก็จะฝังไว้ในที่จิต เ, เมื่อทํามากขึ้นมากขึ้นก็สามารถที่จะสะสมพลังจิตนี่ให้แข็งแกร่งขึ้นจนกระทั่งถึงจุดพลังอำนาจถ้าหากว่าพลังจิตมีเต็มที่แล้วมาก็ถึงจุดพลังอำนาจเมื่อถึงจุดพลังอานาจเมื่อไหร่เนี่ย นั่นแหะก็เรียกว่าพลังจิตพอเพียงสมควรแก่การท้าที่จะทำวิปัสสนาทีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิปัสสนานั้นก็คือให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงที่ว่าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงนั้นคือร่างกายของคนเราเนี่ยแต่คนต่างยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมีความรักมีความโกรธมีความโลภอะไรต่างๆเนี่ย มันก็มาจากจิตใจและร่างกายที่ปรากฏอยู่ร่างกายนเป็นตัวประสานงานเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงจึงได้ทรงแสดงให้สาวกพิจารณาเช่นท่านแสดงให้แก่ท่านปัญจวัคคีย์เป็นองค์แรกอย่างนี้ก็แสดงว่ารู ป, ปังพิฆเวนตาดูก่อนพิสุดทั้งหลายรูปมาเจตน และพระองค์ก็แสดงปริวัตรที่สองว่าต่างกิ่งมิจถาพิเกเว ร, รูปังนิจจังวานิจังวาตริรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวคีร์ก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าและตอนในสุดท้ายพระองค์ก็แสดงว่าตัสมาติหาพิเกเวเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังนิจอาทิตตังอนาคตังปัจจุปนังรูทั้งปวง เนตัมมะเนโซหามัสมิณะเมโซตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ตัวตนเราแล้วก็ให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อจิตถึงจุดพลังอํานาจแล้วสามารถพิจารณาได้รูปปัสมิงปีนิมิตสีก็เบื่อหน่ายในรูปเวทนาอยกปีนิมิตสีเบื่อหนในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหนในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณ ปัญจวัคคีย์ก็ได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์ตอนที่ฟังธรรมจักแน่นยังไม่ได้สาเร็จเพราะว่าพลังจิตไม่เพียงพอยังไม่สมควรที่จะฟังอนัตตลกขณสนตรได้พระองค์จึงให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นไปสร้างพลังจิตขึ้นจนกนระทั่งพลังจิตเพียงพอที่พระองค์ได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่า อินทรีย์แก่กล้าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเป็นจัตวาคีมีอินทรีย์แก่กล้าหรือยานแก่กล้าแล้วอินทรีย์แปลวกความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ก็คือจิตถึงจุดพลังอํานาจนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงทําให้ปัญจัตวาคีนั้นสําเร็จเป็นวิปัสนาไม่ต้องไปเป็นวิปัสณูอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีสาธุ